ย่างน้มันจะลงเอาสังขาร่ะเป็นตัวเราลงเอาตัวเราไปสังขารปรุงแต่งได้เราแท้จริงอะ่ะเป็นวิญญาแท้หรือจิตตั้งเดิมแท้หรือใจแท้ ท, ที่ เป็นวิสังขาหรือเป็นอสังขารธาตุไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเรามีแต่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุตามธรรมชาติหรือเรียกว่าวิญญาณธาตุหรือเรียกว่าใจใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจหล้วแต่อยู่ในร่างเรานี่แน่แต่มันไม่มีตัวตนอยู่แบบไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจไม่เลยรู้เรื่องของร่างกายจิตใจเราตลอดเวลาเพราะมันอยู่ในตัวเรานี่เอง ใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้แต่ตัวตนมันไม่มีไม่มีตัวใจไม่มีกิริยาการใดๆไม่อาจปรุงแต่งได้แต่มันอยู่ในตัวเราเนี่แน่มันเลยรู้ตัวเราตลอดว่าเราคิดเรานึกเราตึกเราตองเรามีความพยายามก็ทําอะไรปุ๊บมันไม่ลอดพ้นจาก ใจ ห, หรือหรือธาตุรู้ได้เลยที่อยู่ในในร่างกายเรานี่นะมันไม่มีตัวตนแต่มันรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวในตัวเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะเพ่งจะจ้องจะดิ้นรนจะค้นหาจะพยายามจะไขข้ ค, ควรจะประมวลผลอย่างไรจะพยายามจะเข้าไปดูจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปละเข้าไปปล่อยไปวางถ้าเราสังเกต ด, ดีๆอ่ะมันจะมีผู้ที่นมารู้ตลอดเวลาเลยว่าเราก็ทํากิริยาการอย่างนี้ ไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยแหละคือเราแท้แต่ไอ้ตัวเราที่กําลังคิดกําลังนึกกาลังตึกกําลังตองกําลังไข้ควรกําลังประมวลผลกําลังหาเหตุผลกําลังรู้ละปล่อยวางกาลังพยายามทำอะไรเป็นอะไรไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวกลารเป็นตัวที่ถูกรู้เดีวถามว่าขั้นถามว่าแล้วใครมารู้ว่าตัวเราเนี่ยภายในจิตใจของเรากําลังกระทําแบบเนี้ยที่เมื่อกี้ที่หวงตาบอกว่าเนี่ยมีกําลังเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบ เขาพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรเขาพยายามจะไปดูจะไปรู้จะไปละไปปล่อยไปวางเห็นไหมคนอื่นก็ยังรู้ได้เลยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรูก้ทําไมพราะม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมีจิตคมคมท่ารู้เวาลาจิตยังรู้ได้เลยว่าแอบทําอะไรอยู่ในใจแอบปรุงแต่งอะไรในใจแสดงว่า การคิดการนึกการตึกการตองการพยายามเพ่งการพยายามจ้องการพยายามรู้ละปล่อยวางการพยายามทําไหลเป็นอะไรการพยายามก็ไปเช็คลิตเข้าไปเช็คไปตรวจสอบไปอะไรเนะี่ยไม่หลอดพ้นจากความรู้ของเราได้เลยตัวเราเองก็จะสามารถรู้ได้ถ้าเราสังเกตดีๆพอแม่ค ร, ร, าารูบาอาจารย์ที่ท่านรู้วาระจิตคงขมท่านก็รู้ได้ว่าเนี่ยมันมีกิริยาการที่แสดงขึ้นมาให้ปรากฏให้รู้ได้เพราะฉนั้นกิริยาการที่มันแสดงขึ้นมาที่ปรากฏให้รู้ได้มันเป็นสิ่งถูกรู้ มันเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งก็จะถูกเขารู้ได้สิ่งใดไม่ปรุงแต่งไม่อาจจะถูกรู้ได้มันรู้ได้แต่เพียงว่าไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจเราแต่อาการของมันไม่มีจึงไม่สามารถจะถูกรู้ได้โดยผู้อื่นได้รู้ได้แต่เพียงว่าเราหลงไปปรุงแต่งรู้ได้แต่เพียงว่าเราสิ้นหลงปรุงแต่งแต่อาการของส um ิ like valeur, ้นหลงปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของจักรวาล แต่ถ้าปรุงแต่งปุ๊บก็จะถูกรู้ได้เลยโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีรู้วาจิตคุมคมแต่แท้จริงเนี่ยตัวเราเองสังเกตดีๆเราก็จะรู้ว่าเรามีอาการปรุงแต่งกิยาการเหล่านี้ในใจของเราตัวเราเนี่ยที่มีความคิดนึกตอมปรุงแต่งพยายามดินน้นรนพยายามค้นหาพยายามจะรูล้ละปล่อยวางพยายามจะเช็คเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีกิยาการที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้ได้เราเองสังเกตดีๆเราก็รู้ได้ว่าเนี่ยเรากำลังทำกิริยาการอย่างเนี้ยท่านยิ่งบอกว่าผมทํานี้จริงๆครับเมื่อกี้เลยอมรับสารภาพว่าผมทํางนี้ในจิตจริงๆถ้าท่านเนี่ยยังสามารถรู้รู้ถึงกิริยาการที่ท่านแอ บ, บทําอะไรในจิตท่านยังพอลงตาบอกแล้วท่านก็เลยบอกว่าแอ บ, บทําอย่างนี้จริงๆไอ้สิ่งที่ถูกรู้ได้เนี่ยร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราในการคิดการพูดการ ก, การะทํำถูกรู้ได้เนี่ย มันไม่ใช่ตัวเราแท้ๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวขันห้าเป็นตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ขันถามว่าเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยขันถามตัวเราว่าใครรู้ว่าเรากําลังคิดกําลังนึกกาลังตึกกาลังตองกําลังปรุงแต่งอะไรในใจใครเป็นคนรู้ถ้าถามท่านอะคนอื่นรู้ไหมถ้าไม่เกี่ยวกับเราคนอื่นที่นั่งในที่เนี้รู้ไหมว่าท่านกําลังแอบทําอะไรในจิตอ่ะ เ, เอาพูดไม่กันละ รู้ไหมใครเป็นคนรู้อ่ะถ้าไม่เกี่ยวกับหลุงตาเนี่ยใครจะเป็นคนรู้เออตัวเรานเนี่ยเป็นคนรู้เองสังเกตไหมจําคําพูดให้ดีตัวผมเองหรือตัวเราเองเป็นคนรู้ว่าเรากําลังเนี่ยคิดดึกตึกตองปรุงแต่งกําลังเพ่ง ก, างง ก, างกําลังจ้องกําลังรู้ละปล่อยวางพยายามรู้ละปล่อยวางพยายามก็ไปเช็คก็ไปตรวจสอบว่ายังมีอะไรยังมีการแอบกระทําอะไร ใจของเราเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวผมหรือว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ขั้นถามก็บอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ขั้นมาปฏิบัติเอาตัวเราที่ถูกรู้ได้เนี่ยมาเป็นตัวเราทันตะเกีบยบมาในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านเอาตัวเราที่ถูกรู้ได้เนี่ยเป็นตัวเราแต่ขั้นถามว่า ใครเนี่ยมารู้ว่าตัวเรากาลังแอบคิดแอบดึกแอบตึกแอบตองแอบเพลงแอบจ้องแอบพยายามรู้ละปล่อยวางแอบพยายามอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแอบดิ้นหลนค้นหาแอบวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยแอบไข้ควรแอบประมวลผลอะไรในใจเนี่ยใครอมารู้ตัวเรากระทากิริยาการอย่างเงี้ยก็จะตอบว่าใครเป็นคนรู้เราเนี่ยเป็นคนรู้ว่าเราเนี่ยแอบกระทาอย่างนี้ในใจคนอื่นไม่รู้เลยนอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านรู้เวลาจิตได้ ดังนั้ น, นะขั้น ถ, ถามว่าใครเป็นคนรู้ก็เราเป็นคนรู้อ่าพอถามโคตีไรก็บอกว่าตัวเราเป็นคนรู้แต่พอใช้ชีวิตประจําวันเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ได้เนี่ยเป็นตัวเราเลยไม่ได้เอาที่รู้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราไอ้ที่รู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่เป็นตัวเราที่ไม่มีตัวตนไม่มีไม่อาจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ไม่อาจแสดงกิริยาการได้แต่ท่านจะไม่เรียกว่า ตัวเราที่มารู้ตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหลงว่ามันมีตัวตนของเราเลยท่านเลยเรียกว่าพุทธะบ้างเรียกว่าที่มารู้ตัวเราเรียกว่าพุทธะบ้างเรียกว่าวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆบ้างหรือเรียกว่าธรรมธาตุหรือเรียกว่ามหาสุญญตาหรือเรียกว่าจักรวาลเดิมคือมันไม่มีตัวตนเลยไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นอาสรีลังไม่มีรูปพันธสถานใด มันอยู่ในตัวเรานี่แน่แต่มันมีสภาพรู้เรียกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ก็ได้หรือเรียกว่าผู้รู้เลยหรือเรียกว่ารู้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นตัวเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้อนกับตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าที่ถูกรู้ก็เลยเรียกสมัยว่าเป็นผู้รู้เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะ เป็นพุท ธ, ธะผู้รู้มารู้อะไรก็รู้ตัวเรามารู้ตัวเราไม่ว่าเราจะคิดไม่กี่ตอนปรุงแต่งแอบคิดแอบนึกแอบตอนแอบปรุงแต่งแอบกระทาอะไรในที่รับหรือที่แจ้งจะมีผู้รู้เนี่ยมารู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเั้นไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแท้แท้มันเป็นตัวสมมุติมันเป็นตัวปรุงแต่งที่ถูกรู้ได้แล้วมันเป็นตัวไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมีแล้วก็หายไป แลุงตาชอบจะพูดว่าเวลาผมเพราะอะไรพูดตามความเป็นจริงของชาวบ้านของพวกท่านทั่วไปว่าแล้วใครรู้ว่าตัวเราเนี่ยแอบคิดแอบนึ ก, แ อ, กแอบตึกแอบตองแอบพูดแอบกระทำอะไรกับใครในที่รับเรื่ที่แจ้งใครเป็นคนมารู้ละ่ะก็ตัวเราอครับตัวผมไม่คนรู้ตัวผมไม่คนรู้เนี่ยลุงตาเลยชอบพูดรู้เนี่ยคือมันคือเราแท้ๆหรือผมแท้ๆตัวผมแท้ๆเพราะอะไรมันไม่มีตัวหรอก แต่เราแท้ๆมันคือตัวที่มารู้ตัวเราแต่เรากลับเอาไปเอาไว้ตัวเราเนี่ยยึดผิดตัวคือเอาไว้ตัวเราที่ถูกรู้ได้เนี่ยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเ ร, เราเราเลยยึดผิดตัวแบบนี้เรื่อยไปเขาจึงเรียกว่าอวิชชาคือความโง่ความหลงแต่คันถามที่ไรก็เนี่ยสมมุติว่าอสมมติอลยนะเวลาเขาพาแฟนเข้ามาสวยมากเลยเขาพาแฟนเข้ามานี่หล่อมากเลยถูกสเปกลอมากเลย มีใครสักคนพาแฟนก็เข้ามาที่นี้โอ้โหหล่อถูกสเปคเลยอหล่อบาดใจมากเลยสวยถูกสเปคเรามากเลยสวยบาดใจเรามากเลยแล้วลแอ บ, บคิดอะไรกับเขาเนี่ยแอบบคิดอะไรกับแฟนเขาเนี่ยคนอื่นรู้ไหมถ้าไม่ใช่อุูบาจารย์ที่รู้ว่ารักจิตเนี่ยคนอื่นจะรู้ไหมไม่รู้ใครที่นั่งในที่เนี้ยไม่รู้ว่าเราแอ บ, บคิดอะไรกับใครอย่างไงไม่มีทางรู้เลยแต่มันไม่หลอด้นจากรู้สิไม่หลอดผลจากรู้ รู้นี่แน่ใครคัดถามว่ารู้เนี่ยใ ค, ใครเอามารู้ตัวเราเราแอบคิดอย่างนั้นเนี่ยคนอื่นไม่รู้เลยถ้าไม่ใช่คอาจารย์ที่ที่มีเจโตรู้เวลาจิตคนอื่นจะไม่รู้หรอกคันถามว่าใครเป็นคนรู้ก็ผมสิครับเป็นคนรู้หรือเราเป็นคนรู้เห็นไหมเวลาถามที่ไรแต่ละคนผมเป็นคนรู้หรือตัวเราเป็นคนรู้เอารู้เนี่ยเป็นเราเราเนี่ยเป็นรู้มารู้อะไรก็รู้ตัวเรา ที่คิดที่พูดที่กระทำแอบคิดแอบพูดแอบกว่าทําอะไรในที่รับที่แจ้งถูกรู้ตลอดเลยคิดดิ้นรนคิดค้นหาคิดพยายามคิดเพ่งคิดจ้องคิดพยายามทําไรเป็นอะไรคิดวิเคราะห์คิดวิจารณวิจัยเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบเข้าพยายามดูพยายามรู้พยายามละพยายามปล่อยวางไม่หลุดพ้นจากใครที่บรรลุตัวเราว่าเราแอบกระทํางนั้นก็คือผมนะครับเป็นคนรู้ เวลาถามอะไรผมไม่คนรู้หรือเราเป็นคนรู้เด็กไหมแสดงว่าไอที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันคือเราที่มารู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเราแอบคิดแอบดึกแอบตึกแอบตองแอบพูดแอบว่าทำอะไรนั่นคือเราแต่ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวรุงแต่งเป็นขันห้าที่ประสมพันธ์กันมาครับเกิดประจากการประสมพันธ์ของพ่อกับแม่แล้วก็แม่ก็กินธาตุดิน คือพอกับแม่ะสมพันธุ์กันแล้วก็มีธาตุสเสริมของพ่อเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นธาตุน้าเข้าะสมพันธุ์กันแล้วแม่ก็กินธาตุดินก็คือสร้าพืชสร้าสัตว์กินดินกินน้ํากินลมกินไฟ น, น้ํานี่ยก็กินวันละหลายขวดกินเข้าไปตลอดเวลาคือเอาธาตุมาผสมกันแล้วจึงเกิดมามีเป็นขันห้ามีมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มีชีวิตจิตใจขึ้นมาแล้วในร่างกายที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวสมมุติเป็นตัวปรุงแต่งเป็นเป็นขันห้าเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงแต่เราแท้ๆเนี่ยคือผู้ที่มารู้ตัวเรานี่แน่มาลุ้ขันห่าว่าเราแอ บ, บเราสามารถคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอะไรในทุกขณะปัจจุบันน่ะภาสติไม่ขาดมันก็จะรู้ตัวเราตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรนึกตึกตองหรือปรุงแต่งอะไรคิดปรุงแต่งอะไรในใจเราเนี่ยหรือพูดหรือก็ทําอะไรในหรือท่าทางเรายืนเดินนั่งนอนในกิริยาอะไรเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ไม่ลอดพ้นจากเราเนี่ยที่มารู้ตัวเราได้เลย นั่นเนี่ยคันถามว่าใครามารู้ตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะไปคิดแอบคิดแอบพูดแอบกว่าทำอะไรในที่รับที่แจง้งก็ผมว่าดีครับผมก็ยอมรู้ตัวผมเองไอ้เห็นไหมคันถามเข้าใครเป็นคนรู้ก็ตัวผมเป็นผู้รู้หรือตัวเราเป็นผู้รู้แต่คันใช้ชีวิตประจําวันเอาตัวเราที่สามารถคิดตอมปรุงแต่งพูดกระทาอะไรได้เป็นตัวเราซะอย่างนั้นเนี่ยไปยึดเอาขันหน้าเอาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราเรายึดผิดตัวจึงเรียกว่าอวิชชา ไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดจะนึกจะตึกจะตองจะแอบพูดแอบกระทาอะไรนี่ที่รับที่แจ้งเราไม่รอดพ้นจากตัวเราที่รู้ตัวเราได้เลยแต่ตัวเราที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันมีแต่ความรู้แต่ตัวตนมันไม่มีมันทําหน้าที่คล้ายๆกับกระจกเงาส่องหน้าของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันทํารู้เนี่ยตัวเราที่มาทําหน้าที่รู้ตัวเราเนี่ย ที่คิดนึกตองปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีตัวตนในตัวผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสันฐานใดๆเลยไม่มีกิยาการใดๆเลยมันทําหน้าที่มารู้ตัวเราเนี่ยที่แอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่รับที่แจ้งอ่ะมันรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเหมือนตัวเราเนี่ยไปอยู่หน้าผหน้ากระจกเงาเลยตัวเราที่มันมีเกณฑ์คิดการพูดกระทําอะไรต่างๆเนี่ยทุกขณะจิต ป, ปัจจุบันเนี่ย เหมือนกับไปยืนคิดยืนพูดยืนกระทาอยู่หน้ากระจกเงาเลยกระจกเงาเนี่ยสามารถสะท้อนมองเห็นเรารู้ตัวเราตลอดเวลาเลยไม่อาจรอดพ้นได้รู้ที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาเนี่ยกระจกเงาสองหน้าเนี่ยเป็นรู้ที่ทำหน้าที่คล้ายกระจกเงาสองหน้าแต่ตัวตนของรู้ไม่มีแต่ทำหน้าที่คล้ายกระจกเงาสองหน้าแต่กระจกเงาสองหน้าไม่มีตัวตนไม่มีตัวกระจก แต่ทำหน้าที่คล้ายกระจกเงาสองหน้าแต่ตัวต้นของกระจกไม่มีดังนั้นที่รู้ตัวเราเนี่ยมันจึงไม่มีกิริยาการไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้ที่เป็นเหมือนทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาแล้วเราคิดเราพูดเราก็ทําอะไรทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับไปยืนคิดยืนพูดยืนกระทําเนี่ยไปนั่งคิดนั่งพูดนั่งกระทำนอนคิดยืนยืนเดินนั่งนอนทํากิริยาการใดๆเนี่ยทั้งคิดคิดการพูดกระทําทุกกิริยาการเหมือนไปทําอยู่ที่หน้ากระจกเงาคือผู้รู้นี่เอง ผู้ที่มารู้ตัวเราเราแน่แนคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่ไม่มีเราคือผู้ที่ไม่มีตัวตนไม่อา จ, จแสดงกิริยาการได้แต่ตัวเราที่ถูกรู้ที่เหมือนกับไม่ว่าจะคิดพูดกระทําอะไรเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ไปอยู่อยู่หน้ากระจกเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสมมติเป็นตัวปรุงแตง่งมันเป็นตัวที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังสลายกับคือสู่ธาตามเดิมเมื่อตายแล้วรูปรปเปรียณาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าก็ดับหมด ก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็มีความคิดอย่างใหม่ในร่างใหม่ถ้ายังไม่ยึดปิดตัวอยู่ยังยึดเอาไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวตนของเราไม่เป็นรู้ที่มันรู้ตัวเรามันก็จะเป็เอาวิชาเรื่อยไปเพราะมันยึดผิดตัวเมื่อมันยึดเอาไอ้ตัวที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาในชาตินี้เป็นตัวเราเรายึดผิดตัวไม่เป็นรู้สทีเราต้องไปเกิดใหม่ในร่างต่างๆแล้วไปคิดใหม่อย่างในร่างนั้น ที่น้องตาชอบยกตัวอย่างงูเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายคนเราเกลียดงูมากเลยแต่พอเราไปอยู่ในร่างของงูเนี่ยเรากลับไปยึดเอางูนี่เป็นตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นงูนี่แล้วเราก็คิดอย่างงูคือตัวเราเป็นงูมีรูปร่างแบบนี้เลื้อยไปแล้วก็เราก็ถ้าเราเป็นงูตัวผู้เราก็มองเห็นงูตัวเมียสวยมากถ้าเราเป็นงูตัวเมียเราก็มองเห็นงูตัวผู้นี่หล่อมากแล้วเราก็เลื้อยเข้าไปอยากผสมพันธุ์กับเขา แล้วก็ไปจับคู่ผสมพันธุ์ก่อนออกลูกออกหลานมาเต็มเราก็ไปคิดอย่างงูเพราะเราไปเกิดเป็นไก่อยู่ในร่างไก่เพราะเราไปยึดเอาไอ้ร่างที่ผสมเสร็จเป็นตัวเราทุกชาติไปไม่เป็นผู้รู้ตัวเราทักทีว่าเป็นเราแท้ๆเนี่ยคือเราคือผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยแหละคือเราแทๆ้ๆส่วนไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยไอ้นี่เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวผสมพันธุ์มาระหว่างพ่อกับแม่ หรือเป็นตัวที่เกิดมาใหม่ในชาตินั้นพอไปเกิดใหม่ในชาติใดมันก็ยึดเอาไอ้ตัวใหม่เนี่ยเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วมันก็คิดอย่างตัวใหม่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคือตัวนั้นเราไปยึดเอาตัวผู้ตัวเมียเอาไอ้ตัวเกิดใหม่เพศผู้เพศเมียมาเป็นผัวเรามาเป็นเมียเราผสมพันธุ์กันออกลูกออกหลานมาเรื่อยไปแล้วไปทําดีเอาตัวเราไปทํากรรมดีกรรมชั่ว ทำบุญทำบาปทำกุศลไม่กุศลเรื่อยไปทุกชาติกลายเป็นเอาไ้ตัวที่ปรุงแต่งไปทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจจริงๆเอาไปทํากรรมดีและกรรมชั่วเอาไปก่อผสมพันธุ์ก่อล่างสร้างพบสร้างชาติ้แก่ลูกหลานมาเต็มหมดเพราะว่ า, วาเรายึดเอาไอ้ตัวที่ผสมเสร็จ่เป็นตัวเราทุกชาติไปถ้าเรายังเข้าใจแบบเนี้ยเราก็จะต้องวนเกิดใหม่ไม่มีที่จบสิน้น แล้วก็ไปเกิดร่างใหม่ในร่างใดเราก็ยึดเอาร่างใหม่ได้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเรื่อยไปคันผู้มีสติปัญญาถามเข้าว่าใครมารู้นไอ้ตัวเราเนี่ยแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่ลับหรือที่แจ้งไม่สามารถรอดพ้นจากผู้รู้ได้เลยดงั้นแท้จริงเนี่ยผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยคือเราแท้แท้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีกิริยาการใดๆ มีแต่ความรู้หาตัวตนไม่เจอแต่คงอยู่ในตัวเรานี่แน่คงอยู่ในตัวเรานี่นะเพราะว่ามันรู้เราตลอดเลยแต่ตัวตนมันไม่มีไม่ว่าร่างกายจิตใจเราจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรแสดงกิริยาอาการเพ่งจ้องพยายามรู้ละปล่อยวางพยาพยามพยายามพยายามจะทานู่นทำนี้ไปพูดเอาไปกระทาอะไรก็เหมือนกับไปกระทําต่อหน้าผู้รู้ตลอดเลยเหมือนกับผู้รู้เนี่ยเหมือนกับเป็นกระจกเงาสองหน้า เราไม่ว่าจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรในที่ลับที่แจ้งทุกกริยาการทุกอิยาบททุกขณะปัจจุบันเหมือนทําอยู่หน้ากระจกเงาตลอดเวลาเราเนั่นแน่เป็นกระจกเงาที่ไม่มีกระจกไม่มีตัวตนแต่ทําหน้าที่คล้ายกระจกเงาที่ไม่อาจเคลื่อนที่ได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจเลือกเอาได้ไม่อาจว่าจิตอย่างนี้ชอบจิตอย่างนี้ไม่ชอบแสกแซงไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ หลงคิดปงแต่งก็ไม่ได้จงจําให้แม่นขึ้นใจเลยโยนิสโสมนัสติการไว้ในใจตลอดเวลาว่าเราแท้แจริงคือผู้ที่มารู้ตัวเราทุกความรู้สึกหรือคิดอารมณ์รู้ไม่ว่าจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรแสดงกิริยาการใดๆก็ตามได้ที่รับที่แจ้งไม่อาจลอดพ้นจากเราที่มารู้ตัวเราได้เราเนี่ยคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่ทําหน้าที่เหมือนกระจกเงาที่มารู้ตัวเราดังนั้นทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาไงคือได้แต่ แค่รับรู้รับทราบตัวเราทุกคิดทุกอาการเหมือนกับตัวเราเนี่ยไปยืนคิดไปไปคิดไปพูดไปกระทําอะไรที่หน้ากระจกเงาจึงไม่หลอดพ้นจากกระจกเงาได้แต่กระจกเงาเนั้นน่ะสังเกตให้ดีๆเขาไม่อาจแทรกแซงได้ไม่อาจเลือกว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาไม่อาจดิ้นรนผลักใสสภาวะที่ไม่ชอบใจไม่อาจไปดูดถูกดูดไปหาสภาวะชอบใจได้โยมเวาศักษาเขโยมชอบพูดว่าหลงอีกแล้วหนูหลงอีกแล้วหนูหลงอีกแล้ว ไปบ่นๆว่าหนูหลงอีแล้วเดี๋ยวหนูก็หลงอีแลเดแล้วหนูก็หลงเราแท้ๆเนี่ยเป็นกระจกเงามันจะหลงก็ไม่ได้ไอ้ที่หลงได้มันเป็นขันห้าตัวปรุงแต่งจึงไปหลงได้พอหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ที่มันหลงไปมันจึงเป็นตัวปรุงแต่งถึงหลงไปได้รู้สึกตัวมาก็เป็นตัวปุงแต่งไอ้ตัวที่รู้สึกตัวก็เป็นตัวปรุงแต่งเพราะอะไรมันอาสายสติสมาธิปัญญาในขันห้าจึงเป็นตัวปรุงแต่งรู้สึกตัวขึ้นมารวมทั้งสัพชัญญาด้วย หลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอาศัยสติสมาธิปัญญาและสัมปชัญญะเนี่ยหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ที่หลงไปได้มันจึงเป็นขันห้าที่หลงไปได้คือตัวพวงแต่งจจะหลงไปได้หลงติดไปกับอะไรได้แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอาศัยสติสมาธิปัญญาอาศัยสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขันห้าเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาไอ้ตอนขณะที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันมันยังไม่ใช่รู้ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่พุทะ ไม่ใช่จิตเดิมแท้ไม่ใช่ธาตุรู้ไอความรู้สึกตัวเนี่ไม่ใช่ธาตุรู้ที่เราหลงแล้วรู้สึกตัวออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้แต่ไอผู้ที่รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกตัวนั่นแหละคือธาตุรู้แต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ธาตุรู้แต่ตัวเราที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นขันธ์ห้าแต่ผู้ที่มารู้ว่าเราเนี่ยรู้สึกตัวนั่นแหละอันนั้นแหะคือธาตุรู้คือเราเนี่ยแหละคือเราแท้แท้ที่ไม่มีตัวตนที่เหมือนกระจกเงาและรู้ว่าตัวเราเนี่ย รู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเราหลงเมื่อเราหลงไปกระจกเงานเนี่ยมันก็รู้ว่าเราหลงแล้วกระจกเงามันก็ได้ต่รู้ว่าเราหลงแต่ความติดต้องช่วยเหลือตัวเองมาก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาอาศัยสัพจัญะในขันธ์ห้าเนี่ยใหเรารู้สึกตัวขึ้นมาไอ้รู้เนี่ยเราเนี่ยที่รู้ตัวเราเองเนี่ยไม่อาจช่วยตัวเราได้เพราะมันทาหน้าที่รู้เหมือนกระจกเงากระจกเง า, นานสองหน้า มันไม่สามารถมาช่วยตัวเราได้เราหลงแล้วมันก็มาช่วยตัวเราไม่ได้เราหลงติดไปกับอะไรจะเป็นทุกข์แล้วจะเป็นกิเลสตัณหาจะเป็นทุกข์ไอ้รู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันก็เดาได้ว่าเราหลงแล้วเราก็เป็นทุกข์เป็นกิเลสแต่มันช่วยตัวเราให้สิ้นหลงสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสไม่ได้พูดจะมาช่วยเราสิ้นหลงสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสได้ก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาหรือสัพพัญญาในขันธ์ห้าเนี่ยมาช่วยตัวเราเหมือนกับเราหิวข้าว ไอ้ร you know you know ู้เนี่ยที่มารู้ตัวเราเนี่ยเหมือนกระจกเงาเนี่ยมันก็เลยจะรู้ว่าเราหิวข้าวแต่มันจะมาช่วยตัวเราให้หายหิวข้าวไม่ได้เราจะหายเราจะหายหิวข้าวได้เราต้องเอาขันห้าเนี่ยไปช่วยคดข้าวมาให้เรากินเราจึงหายหิวข้าวเมื่อเราเนี่ยหายหิวข้าวแล้วเราอิ่มไอ้รู้เนี่ยธาตุรู้จึงเป็นเราเป็นเราแท้แท้เนี่ยเป็นเราดั้งเดิมแท้แท้เนี่ยที่รู้ตัวเราเนี่ยมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยเราไอ้ตัวเราอิ่มข้าว อไอ้ตัวเราที่อิ่มข้าวเนี่ยเป็นตัวตนที่ถูกรู้เป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งไอ้ที่รู้ว่าตอนนี้อิ่มแล้วเนี่ยคือเราแท้ๆที่ไม่มีตัวตนสรุปแล้วเราแท้ๆที่ไม่มีตัวมันทําหน้าที่เป็นเพียงแค่เหมือนกระจกเงาแค่นั้นน่ยที่มารู้ตัวเราแต่มันเคลื่อนที่ไม่ได้แสดงกิริยาการใดๆไม่ได้ช่วยเหลือตัวเราไม่ได้มันแทรกแซงก็ไม่ได้จะเลือกเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ก็ไม่เอาก็ไม่ได้การที่เราพยายามช่วยตัวเราได้ทุกอย่างคือต้องอาศัยขันห้าอาศัยตัวปรุงแต่งสติสมาธิปัญญาและสัพพัญญาในขันนเี่ย มาช่วยตัวเราพาตัวเราไปหาหมอพาตัวเราไปหายหลงพาตัวเราอิ่วข so ้าวไปหาข้าวกินเราล้มแล้วก <gy exploitation> ็ช่วยตัวทำให้ตัวเราลุกอันเนี่ยไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยหรือธาตุรู้เนี่ยที่มารู้ตัวเราที่ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาเนี่ยเวลาเราล้มไปเวลาเราพลาดพังไปเวลาเราไปมีกิเลสมีความทุกข์มันก็ได้รู้แต่เพียงว่าเราล้มแล้วเรามีกิเลสแล้วเรามีความทุกข์แล้วเราติดไปกับอะไรแล้วแต่ที่มาช่วยให้เราหายล้มให้เราหายติดไปให้เราหายทิ้งกิเลส มันต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาและสัมผัสัญญาในขันธ์มาช่วยตัวเราแต่พอพอมันไปช่วยตัวเราเนี่ยมันก็รู้อยู่ว่ามันพยายามช่วยตัวเราอยู่ไอ้รู้เนี่ยมันก็รู้ว่าเรากำลังพยายามช่วยตัวเราอยู่พอช่วยตัวเราได้แล้วแล้วเราก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสพ้นจากการหิวข้าวพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้รู้มันก็ได้แต่รู้ว่าเราไใ้ตัวเราเนี่ยหายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรู้จึงลงตาจะเปรียบเทียบว่า รู้เนี่ยเราทจะมารู้ตัวเราเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างทําหน้าที่เหมือนกับกระจกเงาตองหน้ามันได้แต่แค่รู้อย่างเดียวที่เนี่ยที่พยยะคารวาที่เป็นคารวาไปกอดเท้าพุทธเจ้าอ่ะขา้าพุทธเจ้าหิวหิวพระนิพพานมากเลยโปรดเมตตาปดเมตตาปดเมตตาพุทธเจ้าตรัสว่าพัยยะเธอสักแต่ว่ารู้ เธอสักแต่ว่ารู้ซื่อๆเนี่ยรู้อย่างตรงไปตรงมาเธอสักแต่ว่ารู้เธอจะสิ้นตัวตนเธอจะสิ้นกิเลสพ้นทุกข์บรรลุพนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกหน้าอีกต่อไปพยักฟังจบเข้าใจเลยคือรู้เนี่ยไปเป็นรู้ที่ไม่อาจจะปรุงแต่งได้ที่ทําหน้าที่เหมือนกับกระจกเงาส่องหน้าที่ ทำหน้าที่ได้แต่แค่รู้จริงๆแค่สักด์แต่ว่ารู้จริงๆมันจะเป็นที่มาของที่หลวงตางเขียนหนังสือเล่มหนึ่งรู้ซื่อๆนิพพานรู้อย่างที่ตรงไปตรงมาธรรมชาติของธาตุรู้ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปพยายามรู้ซื่อๆแต่เป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่เขาต้องรู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาอย่างเปรียบเหมือนกับรู้แบบกระจกเงาแต่ไม่มี